มาดูหนะ65นะครับเราจะได้อ่านต่อเลยนะเมื่อช้านี้ก็จบเี่กับอัญญตาที่มานาใช่ไหมเว้นแต่สำคัญว่าได้บรรูุนะครับก็ได้ว่ากันแล้วทีนี้ก็ครึ่นนะครับย่อหน้าใหม่นะเหตุเกิดและประเทศอาบัตสิขาบท น, นี้พระพุทธเจ้าทรงปลาลบพวกพิสุผู้อยู่ต้องใส่คำว่าอยู่เข้าไปด้วยนะครับ ผู้อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำวัคคุมุธานในเมืองเวสาลีที่ว่าฆ่าเตลยนตายนะหรือยังการละกันให้ฆ่าตายครับทรงบัญญัติแล้วพ่อเรื่องคือการพูดผิดเนี่ยข่าตายคนเรื่อง <c oughs> ผมยังจำนะไม่เกี่ยวข้บฆาท้ายนะนี้ในข้อสองนะครับ <c oughs> เรื่องนี้แหละคือการบูรตริมุสธรรมของภิกษุเหล่านั้นนะครับ <c oughs> คำนี้ว่าอนิจตาระอชิมานาเว้นแต่สำคัญว่าได้บรรลุ เป็นอนุบัญญัติในสิกขาบทนี้ครับสิกขาบทนี้เป็นอนาติกะไม่เกี่ยวการใช้นะเราใช้คุณอวดจริยมุสุธรรมเนะี่ยเราก็ไม่ต้องปรารชิงนะครับใครอวดคุณนั้นหละโดนเมื่อพิสูจนอวดคุณธรรมมีชาเป็นต้นซึ่งไม่มีอยู่ในตนเป็นต้นว่าเราเข้าปฐมชาแล้วอวดต่อบุคคลใดถ้าบุคคลนะั้นมีชาติเป็นมนุษย์ต้องมนุษย์ด้วยนะครับ ธรรมดาดีลช้าไม่เอานะเอามนุษย์นะครับเอทันทีที่อวดเสร็จนั่นเองบุคคลนั้นรู้ความนั้นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งว่ารพระสูนี้ได้ชานหรือว่าพระสูนี้เป็นพราอริยเจ้าเนี่ะพระสูนผู้อวดนั้นต้องอาบัตปปะราชิกนะครับรู้ในขณะนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่รู้ต้องอบัตปทุระใจนะครับถ้าบอกว่าถึงแม้ก็จะไม่รู้ว่า ไอาชาหรือว่าอะไรนักพรยายเจ้านี่เป็นยังไงนะครับแต่พอเราพูดไปแล้วเขาก็รู้ว่านี่แหละที่สูนี่บอกว่าตัวเองได้ชาเป็นพรยายเจ้าใช่ไหมครับเขารู้แค่นี้่นะถึงเขาไม่รู้ว่าคนที่ได้ชาแปลว่าเป็นยังไงใช่ไหภาหริยเจ้าเป็นยังไงนะครับถ้าถือว่าเป็ น, นครับเขารู้ความในขณะนั้นนะลุมก็ถือว่าเป็นแล้วครับท่านบอกว่านะครับ ถึงบุคคลนั้นเมื่อพิสูจนนั้นบอกแล้วถ้ารู้ได้แม้เพียงเท่านี้ว่าได้ยินว่าพิสูจนนี้กล่าวว่าเราเข้าชาแล้วดังนี้ย่อมถึงความนับว่ารู้เหมือนกันนะครับแค่นีนะโอ้ยเนี่ยเนะนี่ยเขาบอกว่าส่วนบุคคลใดไม่รู้จักอุตริ ม, มุสธรรมก็ไม่รู้นะครอย่างชาวบ้านตาสีตาสาธรรมดาตาบ้านนอกนะที่ไม่รู้เรื่องหรอกชาคืออะไรเขาปฐมวชา ชาสี่ชาห้าใช่ไหมเขาไม่รูเรื่องเลยครับหรือว่ามังผลวิพานะ่ยิ่งตามเชิงบทห่างไกลอย่นี้นะยิ่งก็ไม่รู้เลยครับถ้าไม่เรียนศาสนานะเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะครับคำมีชาเป็นต้นด้วยตนเองด้วยอํานาจการได้บรรลุนะครับไม่รู้นะหรือด้วยอํานาจการเรียนและการสอบถามเป็นต้นได้ยินแต่เพียงคําว่าชาหรือวิโมกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเนี่ยที่วิสุทพูดไปใช่ไหมถึงบุคคลนั้นเมื่อวิสุทธ์นั้นบอกแล้ว ถ้ารู้ได้แม้เพียงเท่านี้ว่าที่ว่าพิสูจนี้กล่าวว่าเราเข้าฌาแล้วดังนี้ยกถึงความนับว่ารู้เหมือนกันนะครับเี่ถึงแม้จะไม่รู้ดูสภาว่ารู้ในการเรียนใช่ไหมครับหรงไม่รู้นะแต่เข้าจใจพิสูจน์นี้บอกว่าจะเป็เข้าชาอย่างนี้เนะี่ยก็ได้อวดว่าเป็นปลาชิงครับแต่ว่าถ้าไม่รู้ต้องอาบบทถุละใจนะรู้ความในขณะนั้นก็เหมือนกับอาการสึกมือกันใช่ไหครับเขาต้องรู้ความในขณะนั้นเลยนะ มันต้มานั่งนึกเอ๊ะว่าอะไรนะแล้วค่อยออกนี่นะครับรู้ความในขนาดนั้นเลยถ้าไม่รู้ในขนาดนั้นก็ต้องบัตถุนจัยต่อไปอันหนึ่งถ้าบุคคลอวดด้วยการอ้างไปดูะการอื่นเป็นต้นมว่านะครับไม่ใช้คําว่าอาตมาหรือว่าเรานะแต่อ้างอย่างอื่นครับพิสูจผู้อยู่ในวิหารของท่านเข้าปรมชานแล้วนี่นะและผู้นั้นก็รู้ความนั้นต้องบัตถุนจัย นี่เขาเรียกว่าอ oh ุตริเรออ้ออ้างอะไรนะวิหารเป็นต้นใช่ไหมว่าพิสูจที่อยู่ในวิหารก็คือในกุฏิที่อยู่ที่ท่านสั่ง น, นะครับพิสูกรูปนั้นแหละเข้ามาถุมาชาแล้วถ้าเขารู้ความในขณะนั้นก็ต้องมาถุนัชใจนะครับถ้าไม่รู้ต้องมาทุกกฎนะตอไปนะครับอนาบัตพิสูจน์ไม่ต้องอาบัตเมื่อนะครับ หนึ่งอวดด้วยสําคัญว่าได้บรรลุนะไอที่มะช้าเราเรียนไปนะครับสําคัญผิดว่าเตืเอนหน้าบรรลุนะเรื่องหน้าของสมถฐานรีปศาสนาใช่ไหมครับที่ท้าวกิเลสไม่ฟูขึ้นนะะท่านเข้าใจผิดแล้วก็บอกไปพยากรความเป็นผ้าหันหรือผ้าเรียจ้าพ่อสาคัญผิดนี่ก็ไม่เป็ น, นครับสองไม่มีจิตนาจะอวดนะครับอันนี้ที่พูดกับมชาอืมจตนาอวดยังไงนะ ผูเล่นใช่ไหมบอกว่าเข้าชานอยู่ใช่ไหมล่ะให้เตือนกาลังนอนหลับนะะี่ อ, อย่างนะถ้าบอกว่าไม่ประสงค์จะอวดเป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นนาบัติแกวิสุขผู้ไม่ได้ตั้งอยู่ในอิาจฉานใจในความพึ้นที่เป็นไปด้วยอำนามปัญหาน ะ, ะ, ะด้วยความเป็นผู้หลอกลวงะครับไม่อยู่ในความพึ้นแบบนี้ครับไม่ประสงค์จะอวดน ะ, ะ, ะนะพยากรพระลัทธิผล ในสำ น, นักของเพื่อนพรมจารีทั้งหลายอแสดงว่าท่านมาดูจริงสิใช่ไหมครับนี่นบอกมันประสงค์จะอวด น, นะแตพ่พยากร์ครั บ, พ ร, รบพระธรรมผลในสำ น, นักของเพื่อนมรมจารีทั้งหลายท่านก็จึงมีการบอกกันได้นะในกรณีที่เคยล่ายฟังนะครับคนที่ได้จริงใช่ไหมต้องการให้คนนั้นนะครับเกิดวิเยาะสาหะนะในการประลุความเพียนเจริญกรรมฐา น, นครับท่านก็จะบอกนะว่าท่านไเรียกคุณครับ หรือว่าในคุณธรรมฌานก็แล้วแต่นะะในขั้นนี้นี่ครับนี่นะเพื่อให้เขาเกิดความเพียรหรือเพื่อให้เขาเกิดศรัทธาเพื่อให้เขาเกิดศรัทธานะครับว่าการปฏิบัติศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลใชนไหมครับคนที่ได้บรรลุของการปฏิบัติจริงจริงครับที่จะควรจะบอกนะครับแต่ไม่ใช่ว่าได้คุยวอกกอวัวอะไรขึ้นนะไม่ไต้องการไม่ได้ปรนนารามบอกอะไรใช่ไหมครับแต่เห็นประโยชน์ตรงนี้ฉันก็เลยบอกครับแล้วก็บอกพลาดด้วยกันนะ เพิ่มพรมาจาริ้นึงกันมันเด็ดไปทศ่พี่บอกกยมนะครับเนี่ยนะแล้วก็นะครับเป็นบ้าเป็นต้นไม่ต้องอาบัตนะก็มีกรจริตมินจิตฟุงซ่างกษัปกษัตริย์พร ะ, ระพพเวทนาอาธิกรรมิกาแคานก็ใช้ามาว่าเป็นต้นเข้าไว้นะครับสีจ่จำพวกนีจ้จำไมให้ดีนะครับวิกรจลิตบ้ามิจิตฟุงซ่างใช่ไหมกษัปกษัตริย์พรเวทนาอาธิกรรมิกานะครับ บท น, นี้ก็ไม่ต้องอานบัตรอ่านบัตนี้สิกขาบทนี้จะเป็นศีลวิบัตนะครับต้องภาชิดนะสีวิบัติเลยต่อไปองค์อาบัตริสิกขาบทนี้มีองคห้าคือหนึ่งคุณธรรมอันยั่วยิ่งไม่มีอยู่ในตนนะครับนม่มีอยู่ไม่มีจริงนะสองอวดด้วยความปัญนาอันเลวเมื่อช้าบอกแล้วปาปิดโฉนะครับปัญนาชั่วช้านะครับคือต้องการนะ การยกย่องคุณที่ไม่มีอยู่ในตรงนะครับเรื่องหน้าความอิชฉาเบิกโตนะถูกความอยากครอมงำนะครับต้องการลากสัการะใช่ไหมครับอันี้อครั บ, รบแล้วก็สารอวดตรงๆนะครับไม่ได้อวดด้วยอ้อมมันเกี้นะถ้าอวดด้วยอ้อมเน่ยแล้วเขารู้ความเป็นอาอะตไลนั่นพี่ชาลีสุนันจชัยครับเพ่งพูดไปนะนี่ตรงๆเลยอัตอมาอันนี่แหละโยมนีม่เลยนะ นี่โดนเลยนะครับดนเลยนะ <c oughs> ้เลย น, น, น, น, น, ะลนะครับเพาาราะลูกาในขนานั้นเป็นปลาชิกนะครับถ้าได้ถ้าได้จริงแนถ้าได้จริงถ้าไม่อัวนหรอก <c oughs> ม่มีการอ้วนนะครับครับครับถ้าได้จริงก็วพูดตรงๆครับไม่ใช่ถ้าไม่อ้วนหรอกนะไอ้ตรงนั้นเขาไม่พูดหรอืออัวนเขาบอกเฉยนะครับตอนนั้นท่านไม่รู้สกข้าบด อาการโอ้อวดอย่างเนี้ยไม่มีเถอท่านแล้วนะเพราะเป็นอาการที่หยามครับนี่แหละนอกจากความรู้สึกว่าตัวท่านน่ะมาหน้ายังมีหน้านใช่ไหมพามาย่างขั้นข้าวคราวแต่คนนี้ก็ยังเป็นผร้โชลอย่างนี้ห น, น้าเนะครับแต่ที่จะไปคุยโวโอหัวดอย่างเงี้นะ่ะไม่มีนะครับคุยโอ้อวดให้คนอื่นฟังนะ น, นี่เล่าเนี่ยพระโสดาวันวนั่งอานัา้น อ, <c oughs> อ, อย่างนี้นะครับโคช้าเลยคือแบลอะไรที่หยามนะ อะไที่อยากต้องการล่ามยศชื่อเสียงอะไรที่เขาผู้เชี่ยวช้ญเขาไม่เอานะครับต่อไปนะครับ mm hmm. สี่อวดกับบุคคลที่เป็นมนุษย์นะครับผู้มีชัยมนุษย์ด้วยนะ mm hmm. ห้าบุคคลนั้นรู้ความในขณะที่อวดเสร็จนะครับนี่นะเขารู้ความในขณะนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรนานนะครับ mm hmm. เลือดตามปกติเลยนะ mm hmm. เมื่อครบองค์ห้านี่ก็เป็นอ่าเป็นประลาชิ่งสิขาบทนี้นะครับ สมุดฐานเป็นต้นสิกขาบทนี้เหมือนแอธินาคานสิกขาบทเอ้ามีสมุดฐานเท่าไหร่ครับจ so? ิตวจาจิตเขาอินพุชนีจรไว้เลยนะถ้าบอกว่าอธินาทานสมุดฐานเหมือนแอธินาทานสิกขาบทหรือบอกว่าอธินาคานสมุดฐานคือประโยคนะครับการจิตมาจารจิตการวจาจิตนะ ก็มีจิตกำกับด้วยครับซ้ม อ, อะไรให้แม่นนะครับเนี่ยในพระเจ้าิโดนี้ท่ า, ทานท่านก็อธิบายนะครับว่าสิครามบุนี้มีสมุติฐานสามนะครับเกิดแต่กายกับจิตนะของพิสุขอวน อ, อยู่ด้วยหัวแม่มือครับไม่ได้พูดนะครับอวดด้วยหัวแม่มือนะทําไมก็ไม่ก็แล้วแต่ที่จะให้เขารั้ตัวเองนะเป็นพระริยนะครับหรือเป็นผู้ได้ชา ชี้ม้ชี้เมย์มยก็แล้วแต่นั่นเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมทําไม่ถูกนะว่าท่านบอกอยังไงนะครับอาจจะมีคนมาหาก็ได้นี่ใช่ไหมนะครับว่าท่านได้บรรลุอะไรอย่งนจริงหรือเปล่าแต่บอกว่าใช่เลยแต่ว่าใช้มือใช่ไหยหรือยพ ย, ยักหน้าอย่างนี้ก็ได้นีครับใช่เือเขียนก็ไดใช่ใช่ครับเขียนก็ได้นครั บ, รบแล้วก็เกิดแต่วาจากับจิตของผู้พิสูจผู้อวลด้วยการเปล่งวาจาครคชั้นนะ แล้วก็สามแล้วกเกิดแต่กายวาจากับจิตของพิสุผู้ทำทั้งสองอย่างนะครับเป็นกิริยาต้องว่ากระทำนะกระทำการอวดแหละถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นนะครับมีเวทนาสามทั้งสามเลยนะครับคือสุทุกุเบขานะถ้าบอกว่าจริงอยู่พิสุย่อมก่าอวนทั้งที่มีโสมนัสรื่นเริงใจก็มีนะครับมีนะกระอวนใจนี่นะแล้วก็ครัวอวนก็มีครับ กัวแล้วก็ปวดก็มีนะเอ้กลยงไงนี้หรือกลัวใครจะับหน้าใช่ครับว่าตัวเไม่ได้เป็นใช่ไหมค่ะได้นะบางทีอาจจะมีรู้สิษย์กหาใช่ไหมมาปวดทั้ก่อนกละแล้วใช่ครับวไ ด, ด้มาลูกอย่างนั้นอย่ ง, อยงนี้้มีคนมาถามเนี่ยถ้าจะบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้จริงๆค่ะเอ๊ครูก็เลยบอกไปนะครับเอ๊หลายอย่างนะมีตอนเป็นกลางปวดก็มีครับได้ทนนั้งหมดนะเนยเวานานได้สามเลย นีนะครับแล้วก็เป็นสัญญาวิโมกนะครับเอพ้นได้เพราะว่าไม่มีสัญญาก็คือไม่มีเจรนาจะอ้วนนะครับพ้นได้นะเป็นสจิตตะการต้องมีจิตจิตที่จะอว น, นครับเป็นโลกาว่าชานะไอ้ใ จ, จที่อ้วนเนี่ยเป็นอกุศลอย่างเดียวนะครับเป็นกายกรมกม ร, กรมก็ได้เป็นจีกรรมก็ได้เป็นอกุศลและจิตนะครับตรงนี้อกุศลและจิตนะประเทศไหนครับ ได้หมดแล้วมั้ย่ยโลภะโสดะโมหะนะครับนโมหะได้มโมหรรระคือสังขารผมได้ทุกู้ผ่อเไอยูน่นะใช่ไหมนี่อ่าได้นะเวทนาสารนี่ได้ครับมีเวทนาสารครับเหมือ น, นกัว่าตอนแรกจะมีโลภะปัใจอย่างไงี้ยต้องมุ่งล่ามุ่งสรรเสริญเพื่อความพึงพ า, าชั่วแช่นะครับแต่ตอนอ้วนมันทำไปด้วย โลภาก็ตอนนั้นก็ได้ใช่ไหมโทรศก็ได้โมหาก็ได้ได้ได้นะนะมีเวณาสามนะครับอันนี้แบบแล้ว น, นะเสร็จแล้วนะเอ่อจบการที่บายอุตรินุสธรรมกสิกษษขาบท น, นครับแต่ว่ายังไม่จบดีเดี๋ยวจะเล่าวินิจจะว่าถุไว้ฟังนะครับอีกนะก็คือเป็นเรื่องนะครับที่พระเจ้าทรงวินิจฉัยแล้วที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะ เกี่ยวกับการที่วิสุทธิมุสตธรรมนะครับที่ไม่มีหลายเรื่องนะครับบางลูป ก, ก็เป็นประชิกบางลูกก็เป็นถือใจบางลูกก็ไม่เป็นเพราะมีเจอนาสะอวดนะครับเรื่องก็เยอะเหมือนกันนะแต่เรื่องอยากกว่าคราวที่แล้วนะจะลองเล่าสรุ ป, รปนะครับเอาไว้จะจาหน้าแค่ไหนก็คือเรื่องแรกเรื่องสําคัญว่าได้บรรลุมรรคผลนะครับเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องในอนุบัญญัติใช่ไหม สำคัญว่าน่ามารู้แล้วก็พยากรณ์นะครับการรู้เป็นผ้าพที่จะบุคคลไปแล้วกลับมาร้อนใจภายหลังนะอันนี้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะว่าท่านสคัญคือว่าน่ามรุ่นะครับเรื่องที่สองเรื่องของพิสูุนผู้อยู่ป่านะครับท่านไปอยู่ป่านะด้วยคิดว่าใช่คนย่องย่องนะครับท่านบอกว่าเอแค่นี้นะไปอยู่ป่าด้วยคิดว่าใช่คนย่องย่องนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนเขาจะชอบแหละเขาจะเลื่อมใสพิสูจที่มี การปฏิบัติขัดเกล้าขึ้นเศ้าหมองใช่ไหมครับนั่นนะข้ารูขับอะไรนะลูขับม้ารูขับลูกรขับปฏิปทานมก็ไอ้ข้อปฏิบัติที่มันเศ้าหมองใช่ไหมครับขัข้นเศร้าหมองนะจีวรหมองหมองอยู่ในป่านะครับสันโดอะไรนะอย่างนี้เข้าเจอเรื่องอะไศรัทธา น, นะครับท่านก็ไปอยู่ปา่าด้วยความปัญหาอย่างนี้นะครับว่าคนที่แม่ย่องๆนะแล้วก็ลังเกียจแค่แค่นี้ลังเกียจขึ้นมานะครับ ไม่ต้องปัตรฟาชิ่มยังพุณอาจาบอกว่าไม่ต้องนะครับแต่ว่าเป็นอาบัติทุกโกรนะพิสูจนพ่อองค์แต่ว่าพิสูจนท่างหลายอันพิสูจไม่พึงอยู่ป่าด้วยตั้งใจเช่นนั้นพิสูจใดอยู่ด้วยตั้งใจเช่นนั้นต้องบัตรทุกโกรนะครับจะอยู่ป่าด้วยตั้งใจให้เ้าย่อมย่องไม่ได้เป็นอาบัติทุกโกรนะครับท่านบอกว่าพิสูจนที่อยู่ป่าคนที่ไปอยู่ป่ามีลักษณะห้าห้าแบบด้วยกันนะคือพวกแรกนะครับ ถ้าบอกว่าพ่อโง่กพ่อหลงจึงอยู่ป่านะไม่รู้เหมือนกันเห็เข้าอยู่ก็อยู่ไปอยู่ไม่รู้เรื่องนะครับกลยไปอยู่ตาเข้าไปด้วยนะพ่อโงูกพ่อหลงจึงอยู่ป่านะครับอันที่สองปาติดโชยช้าปกโตนะพ่อมีความเออไอมีความเผื่อนะชั่วช้าถูกฟางอยา่างครอบงำนะครับปาณนาต้องการเขาย่อมย่องสนั่สนั่ตัวใช่ไหมในคนที่ไม่มีอยู่จริงเขาต้องการล่างสกาล่าอย่างนี้นะแล้วก็อยู่ป่า เนี่ยประเภทนี้เราที่จะดทุกข์นะครับถ้าพาไปอยู่ด้วยใจนี่น่าจะเป็นทุกข์กอดนะครับแล้วก็สามนะครับเพราะเป็นบ้านมันจิฟุ้งสร้างจึงอยู่ป่าแค่คนไม่รู้จะอยู่ที่ไหนนะเป็นบ้านะครับขาวก็เลยไปอยู่ป่าไปเลยอย่างนี้ก็มีนะสี่นะครับประแภทที่สี่ถ้าบอกว่าอยู่ป่าด้วยคิดว่านะครับพระพุทธเจ้าทั้งหลายสาวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการอยู่ป่านะครับเนี่ยนะ ดีานดีงานี้ดีและก็แห้งนี่ดีสุดๆเลยครับถ้าบอกว่าเพราะาาาอาศัยความคู่มั่งน้อยเพราะอาศัยความเป็คนสนโดสนะครับเพราะอาศัยการขัดเกลาเพราะอาศัยความวิเว้ะนะครับเพราะอาศัยว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงอยู่ป่านะครับก็คิดว่าไอ้สิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปจนะัจจัยเนี่ยการที่เราจะปฏิบัติทำสะดวกบรรลุทำได้ใช่ไหมก็ต้องอาศัยวิเว้นี่นะครับน เลยไปอยู่ป่านะอืมครับนี่เราแพทย์ที่ให้ ด, ดีที่สุดนะครับนี่ฮนะคือต้องการบรรลุคุณธรรมใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ป่านะครับนี่นะแพทย์แต่เป็นพวกปลาติดโฉงที่ไม่ได้นะครับจะโดนบัตรทุกโกรถ้ามือนว่ามันเริ่มโดนทุกคนโกนะตั้งแต่กําลังเดินเข้าไปในป่านะครับทุกทุกอย่างเท้าเลยนะแล้วก็เวลาทำอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างในป่านะครับก็จะโดนบัตรทุกโกรไปเรื่อยนะครับ และก็ น, นะครับต่อไปเรื่องเที่ยวบินถบานนะครับที่สูจนี้ก็เที่ยวบินถบานนะครับคิดว่าแก๊กท่านะแต่อิรยาบทให้มาดูแคล้งสมรวมอย่างดีใช่ไหมครับเพื่อต้องการคนรู้สายศรัทธานะทําอย่างนี้นะครับแล้วก็เกิดรังเกียจขึ้นมาว่าตัวนี้ต้องปราชิกหรือเปล่าพระเจ้าก็ตัดตอบว่าดูก่อนพิสูจเธอไม่ต้องแบบปลาชิบนะครับพิสูจนทั้งหลายอันพิสูุนไม่เ่เที่ยวบินถบานด้วยตั้งใจเช่นนั้น ที่สุดเลที่เป็นระ บ, บาดรึตั้งใจฉะนั้นต้องบัทุกโกลงครับอันนี้แต่งอิรยาบถเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าไปในบ้านเราบิดระ บ, รบาดนะคราวนี้ไม่ได้นะอิรยาบถทั้งสี่เลยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเราจะแต่งขึ้นมาเพื่อโยมเห็นแล้วเกิดศรัทธาเลือกวใสอย่างนี้นะ่ะไม่ได้นะไม่ใช่ถ้าเราจิต บ, บริสุทธิ์ไงจิต บ, บริสุทธิ์จะสํารวมใสใจเสถียวัใช่ไหมครับจะมันเป็นวัดให้บริบูรนณะ์หรือพุ่ยตามพระวินัยอย่างนี้นะ่ะไม่เป็นนะครับไม่เป็นแต่นี่จิตไม่ดีเนะี่ย ต้องการให้เ่ายงยองราต้องการเานารสนอ เ, เสนอกางล่านี้นะครับใช่ครับในสุดที่มั่ง ก, ก็มีท่านบอกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าถัปปนานะครับไม่ใช่ถัปปนาเรียกว่าอะไรนะ<อ>คือการแต่งท่าแต่งอิริยาบถ น, นะครับต่างๆนะใช้มันสํารวมมากปกตินะเพื่อผลย่งยองแล้วเราใส่ใจสํารวมตามพระวินัยใช่ไหมใส่ใจความสมณะของเรานี่ไม่ถึงนครับไม่เป็นอี้จิไม่บริสุทธิ์เป็นนั้ น, นแล้วก็นะครับ มันก็เป็นนาบัตตลอดเวลาตั้งแต่ห่มจีวรไปเลยนะถ้ามีจิตไม่ดีนี่นะครับหมจีวร น, นุ่งสมองแล้วก็เดินไปก็โดนตลอดนะครับโดยทุกกฎแล้วก็ต่อไปเรื่องประชาญาณนะคะรับเรื่องอุปชาการอู่ตรีได้อ้อมนะครับวงตรีนั้นว่าผู้พววิสูจน์ผู้เป็นสัตธิวิหาริย์ของประชาพวกเรานะครับรู้ว่าเป็นผ้าหนงนะครับซึ่งตัวเองก็เป็นสัตธ์วิหาริยของประชานะครัอออบ อ, อุโบสได้อ้อมอย่างนี้ไปนนาบัตรไรครับ โบ้ดอ้อถุนละใจนะครับไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าหรือตรงแต่บอกว่าสัตว์วิหารี่ของอุปชาของเราใช่ไหมเป็นล้วนเป็นผ้าหันนะครับอืมเราไปนครับเลือกอิริยาบดนะครับที่ส่อรูปนี้ก็แต่งอิริยาบดอ๋อนี่ไม่ตอนนี้ไม่ได้นนเกีย่ยวกับบิดาบาในบ้านนะเดินจงกลมแต่งอิริยาบดเดินจงกลมนะครับตั้งใจว่าคนจะย่อย่องเราด้วยวิธีอย่างนี้นะนะครับ ทั้งย mm ืนหมดเลยนะครับเดินจงกลมยืนน right. ั่งนะครับแล้วก็นอนทุกอิริยาบถเลยแต่งอิริยาบททําขึ้นนะเพื่อใชจคนย่องย่องนะครับนี้ก็ไม่เป็นปาราชิกแต่ต้องบัพทุกตกนะครับเพราะนั่งอนหมดเลยนะสบายแต่งอิรียา่ถข้ามวินเดอรบารหรือว่าอยู่ในวัานก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้คนเข้าย่องย่องศรัทธาอย่างนี้นะไม่ได้นะครับโอ้คุณพูดคุณพเห็นดูมาเลยใส่มาต้องเดินมาเป็นเก๊กสัรวมครับข้างเขาใช่ใช่ครับนั่นนะ แต่ถ้าแก๊กว่าเป็นโรคทำกรรมฐานน่นไม่เป็นอันนี้แก๊กเพื่อต้องการให้เขายุ่งย่องหรือว่าเป็นผ้าที่แพ่งนี้ใช่ไหมครับต้องมีใจแบบนั้นใช่ใช่ครับอย่เป็นครับไม่มีใจแนนไม่เป็นเลยแล้วก็แล้วแต่คนส่ใครทำกแล้วก็เป็นเองก็ปองอมาลกวเองครับใครไปไม่มีใจแล้วร้านไม่ีทางจเลย S <S อันนี้อำนาจจะไม่มีแต่ว่าท่านเทามาทางกายนะครับยืนเดินนั่งนอนนะท่านแสดงมาทางกายนะครับก็เลยต้องอาบัดแล้วก็เรื่องต่ไปเรื่องการล่างสังโยชนะครับมีพิสูรุ่หนึ่งท่านอุต ร, รีนะครับว่าท่านล่างสังโยอนั่งนะครับนีนะคือตอนแรกมีพิสุรุ่นหนึ่งมาบอกแก่ท่านก่อนนะครับมาอุติีกัท่านท่านก็เลยอวต่อไปบ้างนะว่าอาวุโสแม้ผมก็ล่างสังโยชนได้ แล้วมีความเังเกียิอันนี้ต้องปรลาชิ้นมียังครับครับอบอกว่าละสังยโยได้ปวอย่างนี้ครับะส<อ>ังโยได้ครับโอ้ผมก็อง่าครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในกลองที่เราตากโอ้ยอไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นหรือยัที่บอกว่าอะไรนะไอแจ้งอริยสัจยังโดนเลยใช่ไหมครับ เออแาลา้วสังย่ออทำไมจะไม่เป็นหรอที่โนวาลมันเป็นไะมเป็นที่โนวาลเป็นสังยอดสิบนะใครหลานได้หรือถึงไม่ครบสิบก็แล้วแต่ไง่ลานมันจะขั้นละขั้นนะครับ่าเนี่ยเป็นนะครับเป็นนะครับเธอต้องแบบประหลาชิดแล้วก็เท่าก็เท่ากับว่าอะไรนะหัวว่าตัวเองได้เป็นผาหรือย่า พ่อพานิย่าเนี่ยเป็นผู้ล่างสังโยดได้นะครับนีนะ่แล้วก็เรื่องทำในที่ล่ํานะครับพิสุรุ่มนี้อึดอัดมากไม่อยากจะกัดอวดเต็มทีก็เลยแอบไปในที่ล่ํานะค mm hmm. ไม่ใช่ตะโก mm hmm. นหรอกปรรดากัดอวดอยู่คนเดียวว่าตัวองได้ได้บรรลุนะครับสมมตะโกนเนี่ยอะไรนะข้าพเจ้าเป็นพาหันตะโกน <laughs> ไม่มีใครลูกใครเห็นนะครับแต่ว่ามีพิสุรุ่มหนึ่งที่แน่เจโตน่ารู้จิมคนอื่นเขาไปรู้เข้านะครับ รู้เข้านะก็เลยมาตักเตือนท่านเลยครับท่านก็เลยรังเกียจ ว, ว่าต้องปราชินไอย่างไม่ต้องแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนวิสูรตรไม่ต้องปราชินแตตบัตรทุกกฎนะครับถืออว น, นที่เล่าเนี่ยยังโดนนะครับไม่มีครรู้ใครไมได้ตั้งใจจะให้ใครรู้นะก็ยังโอนทุกกฎนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับก็ถืออว น, นที่เล่าเหมือนกันอันนี้มันมีใครรู้แต่เทวดาก็รู้เข้านะครับแล้วก็มาเตือนก็ทั้งหมเดียวกันนั้นเป็นทุกกฎไม่เป็นปราชินนะครับ และก็เรื่องมิหารนะครับอันนี้ก็มีพิสูตรรูปหนึ่งเนั่นไปอยู่ในกุฏิที่โยมขถวะและก็มาบอกว่าโยมพิสูตที่อยู่ในกุฏิของโยมน่ะเป็นผ้าหันนะครับเป็นปราชิดพิยังครับเป็นถุละใจนะครับการัวเรออ้อมนะพิสูตที่อยู่ในกุฏิของโยมเนี่ยเป็นผ้าหันนะครับแล้วก็เรื่องบํารุงอันนี้คล้ายกันพิสูตที่โยมบํารุงเนะะี่ยเป็นผ้าหันนะครับอันนี้ก็ถุละใจเหมือนกันนะครับเนื่ย น, นะ ไปนะครับเรื่องทำไม่ยากนะครับตัวนี้เกี่ยวกับพิสูอาผ้าหน้าป่วยนี่นะครับเพื่อนผู้สูหลายก็เลยไปถามถึงอุตริมุสุธรรมนะครับว่าของคุณมีหรือท่านตอบว่าอย่งไงทำได้ไม่ยากหรอกท่านตอบว่างนี้นะครับการทำผ้าหันตะผลให้แจ้งไม่ใช่ของทําได้ยากหรอกอี่าทําได้ไม่ยากหรอกต้องหรือยัครับอันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะถ้าไม่มีใจไม่มีปัจจัยประสงค์จะอ้วนนะ ถ้าก็พูดไปอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าพิสูรรูปนี้เป็นยังไงท่าเขา้าใจมาอย่างนั้นจริงๆนะคนที่มีศีดีอะไรดีอย่างนี้นะครับจะทําให้แจ้งซึ่งอากตศผลที่ไมย่ยากนะถ้าก็ปูดไปถ้ามีเจรานาจะอ้วนนะครับไม่เป็นแล้วก็นะครับอะไรเนี่ยเรื่องความเพียร น, นะครับอันนี้ก็พระอาฆาเหมือนกันแล้วก็พิจงหลายไปถามพนองเดียวกันนะครับถามถึงอุตลิมุสธรรมว่าของคุณมีหรือนะครับ พิสูจนน้ำว่าอุตรินรรมของคุณมีหรือถ้านก็ตอบว่าอันท่านผู้ประละความเพียงแล้วคึงยังทําให้สาริผมผลได้เนีย่ย น, นะแล้วกเกิดลังเกียดขึ้นมานะครับพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอขึ้นอย่างไรก็ตอบว่าถ้าพรุทธเจ้าไม่ได้มีความประสงค์จะพูดอัวก็ไม่เป็นอาบัตินะไม่เป็นอาบัตินะครับและก็เลือกไม่กลัวตายนะครับพิสูจนรุ่งอาท่าเหมือนกันรุ่งหลายก็เลยไป อะไรนะปล่องท่านนะครับว่าอย่ากลัวไปแลยครับถ้าว่าถ้าไม่กลัวเราครับพูดแค่นี้นะแล้วก็เกิดความรังเกียจขึ้นมานะครับก็เลยไปทูลถามแ ล, าล้วเจ้าก็ตอบว่าไม่ต้องอธิบายนะครับไม่มีความประสงค์จะอวดเหมือนกันนะมึงว่าคนที่มันมีความกลัวแล้วต้องขั้นไหนครับขัานา้นอาฆาตเนี่ยเพราะกลัวอย่างพวกโทสะใช่ไหมล่าโทสะได้เพราะม่กลัวแล้วของเขาเนี่ยนะเนี่ยท่านรัาางเกียจไปถึงขัน้นนั้นไง ไอ้ ه, ถ้ามนมีโฆษณาสุดวุ น, นะครับไม่เป็นแล้วก็ต่อไปนะครับเรื่องความเสียหายนะครับอันนี้ก็ไปอวดเรื่องความเสียหายนะครับหมายเขาว่าอย่างไรพ่สูจน์อาภาพเหมือนกันนะเื้อหน้าก็ไปพูดกับท่านว่าท่านอย่าได้กลัวเลยนะครับก็บอกว่าอนนี้สําหรับท่านผู้มีความกินแหนงแคลงใจต้องกลัวแนะ่ต่อไปอย่างนี้นะครับและก็ลังเขียนนะ คนที่มีความแข็งแครงใจก็คือคนที่ยังมีความพ้นยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมกำลังเกียดความพึ้นของตัวเองหน้านั้นหน้านี้นะครับคนอย่างนั้นแหละถึงจะกลัวใช่ไหเนี่ยนะครับก็ถ้าว่าตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วถ้ากําลังเกลียดขึ้นมานะก็ไปทูลถามถาด้ืยเจาก็ตอบว่านะครับไม่ต้องอวดน ะ, ะนะอันนี้ไม่ต้องอัมบัดท่านามาสสนีความประสงค์จะอวดใส่รึเปล่าย็นไม่เห็นเข้าเลยใช่ไหมไม่เข้ า, านะะี้ครับ และก็ น, นะครับเรื่องประกอบความเพียรนะครับนี่ก็เหมือนกันส่วนใหญ่เป็นผ้าอาภาณนะและพิสูจนไปถามนะครับ <c oughs> ถามถึงตรี ม, มุสธรรมท่านก็บอกว่าอันพิสุจน์ที่ประกอบชอบนะครับจะทําพิ่งยังทําให้สำเร็จผลได้นะครับบอกแค่นี้อันนะแล้วก็ลังเกียจตัวนี้กม็มีความประสงค์จกิกาอวกก็ไม่เป็ปรญหาเช่นนะครับ <c oughs> ต่อไปเรื่องพิสูจประความเพียรพิสูจน์อาภาณเหมือนกันนะครับเพื่อมิสูจนก็ไปถาม จุดเดือมสตะทำท่านก็บอกว่าถ้าผู้มีความเพียรปารลบแล้วเพีงยังทาให้สันนิษฐาได้ตรงนี้ก็ไม่ต้องนะครับเพราะมีความประสงค์จะอวยอีกรูปนึงก็บอกว่าทานองเรื่องเหมือนกันเลยนะเพียงแต่คาตอบต่างกันท่านตอบว่าถ้าผู้มีความเพียรปารอันประกอบแล้วเพีงยังทาให้สันนิษฐาไดนะ้นี่ร่างเกียนนะท่านก็ไม่มีเจตนาจะอวยพรุทธเจ้าตรัสว่าไม่ต้องอาบัต น, นะครับต่อไปเรื่องอะไรนะล่ะเรื่องอดกั้นใบธนานะครับ ที่สูจน์ถึงอ า, าพาธควยหนักเหมือนกันครับที่ทั้งหลายก็ไปถามที่ว่าดูกว่าอาวุโสคุณยังพอคนต่อทุกเวรนาได้หรือยังพอประทังชีวิตไปได้หรือถ้าก็ต่อ น, นี่นะครัว่าอันคนพอดีพอร้ายไม่สามารถจะอดกลั้นได้นะครับแค่นี้แล้วก็ลังเกียนะครับหลังเกียความจริงมีความความลังเกียเนี่ยท่านบอกว่านะครับคนที่ควรที่จะพูดอย่างเนี้ยนะน่าจะเพราะท่านนี้เป็นสาวก ค, คือเป็นพระริยา น, นะครับ ผมและป้าเจ้าเท่านั้นจึงคนรพูดอย่างนี้ส่วนเราสี่หาได้เป็นสาวของพรงไม่ทีไม่ได้มรรลุภารยานะครับเราต้องกับพระราชิแล้วสงสัยแล้วก็กราบทูลพระเจ้าครับพระองค์งก็ถามว่าเธอคิดอย่างไรแม่ก็ตอบว่าข้าบุญเจ้าไม่ได้มีความประสงค์จะพูดอวดพระองค์งก็ตรัสว่าไม่ต้องอาบัตินะครับคือพระสุรุปนี้ถ้ามีขันตินะถึงแม้เกิดทุกเวลานาขึ้นใช่ไหมคแต่ถ้ามีอธิวาสนะขันติคือความอดทนยอมรับจะพามานังได้นะครับ ท่านก็เลยบอกนี้ว่าอันคนพอดีพอลายไม่สามารถจะกการได้หรอกแต่ว่าท่านไม่ใช่คนอย่างนั้นออไอนคนพอดีพอลายเนีนคนที่ไม่มีความอดทนนะครับแล้วกาแจวมั น, มน อ, อย่างนี้นะเพราะท่านที่บอกว่าพระลุมนี้เยเป็นผู้ที่มีควาอนนมอดทนนะครับยอมรับสภาพนั้ได้นะแล้วมีเพียงที่จะถามคืออบว่าท่านก็ตอบคือเบื้องสือถามว่าเนี่ยท่านอดทนทุกขเวทนาได้หรือยังครพอประทังชีวิตได้หรือเปล่า ท่านก็บอกว่าคนพอดีพอร้ายไม่สามารถจดการได้คนพอพ้าไม่สามารถจดการได้หรับแต่ว่าท่านท่านนเน่้าใช่ใช่นเน่เน่พ่านนนันได้ใช่ใช่ครับเจนี่รข้าวใช่ครับเนี่ยก็ไม่เป็นอาบัตินะครับอีกรูปหนึ่งนะครับเรื่องของพรามนะพามนี่เผู้ที่มีความเรื่องเรื่องสายศรัทธามากนะครับพอมานิมนทานะ ก็พูดแต่คำว่าผ้าละหารทั้งหมดนะครับนิมนต์ผ้าละหารทั้งหลายจงมาเถิดเจ้าข้านะครับเวลาจะนิมนต์ให้มาที่บ้านนิมนต์นั่งนะนิมนต์ผ้าละหานทั้งหลายจงนั่งเถิดเจ้าข้าจงบริโภคเถิดเจ้าข้าจงฉัน้อิ่มเถิดจงกลับไปเถิดเจ้าข้านะครับชูช่องหลายก็เลยรังเกียจไงเพราะว่าไม่ได้เป็นผ้าหันใช่ไหมรังเกียจพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ให้ไปรับทายเขได้นะครับนะดูก่รนมชูช่องหลายไม่เป็นอาบัติเพราะเขากระดุกางนิยมใสนะครับ ถึงข้ขออีกคนก็ว่าผ้าละหาันผพาละหันนิมนต์ผ้าละหันทั้งหลายมาใช่ไหมครับเราก็ไปได้ถึงแม่ไม่เป็นผ้าลหันก็ไปได้ถ้าเขานิมนต์เราไปนะแต่เราไม่ได้ยินดีใช่ไหมไม่ได้ยินดีนะครับเราไม่ต้องบอกเขารอกนะครับอ้บอกเราก็ไม่บอกก็ได้นะคือถ้าเป็นคนที่เข้ากะหรือความเรื่องใสนี่ะมาราันลืมสายศนะรัรทธาใช่ไหมครับเจอพผ้ารูปไหนไม่แน่ผ้าละหันหมดอย่างเนี้นะอืมครับแต่ถ้เาเข้าใจผิดจริงๆแล้วก็บอกให้เขาฟังนะครับ นี้ก็ไม่เป็นอาบัตินะครับเราก็ไปรักทาเขาหน้าแล้วก็เรื่องพยากรณ์มักผลนะครับอันนี้นะครับเรื่องพยากรณ์มักผลเป็นยังไงโอุตรีนะครับพิสูจน์โอุตลีมุสธรรมแก่เพื่อนนะเพื่อนนั้นก็เลยอวดตอบว่า น, นะครับบอกว่าแม้ผมก็รับาอสาม า, าได้แล้วนะครับนี่ปลาซีกมั้ยยังครับปลาซีกแล้วปลาซีกแล้วนะครับอีกรูปหนึ่งครัก็อวดว่านะอาวุโสธรรมเหล่านั้น ครูปแรกก่อนมีสองรูปนะเพื่อนเขามาอวดเข้าว่าครับเพื่อนเขามาอวดพิสูตรรูปหนึ่งพวกอวดตรีมิสซาธรรมแก่พิสูตรอีกรูปหนึ่งแม้พิสูตรูปนั้นก็ได้กล่ารนี้ว่าอาวุโสทำเหล่านั้นย่อมมีแม้แก่ผมเป็นหรือยังครับยังทำได้ไม่ยังอ่ะก็ทำที่เขาบอกเมื่อกี้ครับคือเหมือนว่าเพื่อนบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยได้พระโสดาบันนะเขาบอกโอ้แม้แม้ทำแล้วก็มีแก่ผมเหมือนกัน ต้องนี่ย่งครับต้อ ง, งรคอรับปาราชิกแล้วมีรูกนึงก็ทำนอนเรี้กันมีเพื่อนเข้ามาอวดกับตนนะครับตัวเองก็เลยอวดอวดคุยโวตต้ตอบบาง น, นะอวดต่อก็ว่าแม้ผมก็ปากว่าในธรรมเหล่านี้นะต่ัวอย่างก็เป็นเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องอีกสองเรื่องนะครับเรื่องของพิสูจนะ์ะผู้ที่ยากิทั้งหลายมานะครับบอกว่าพวกญาติได้กล่างกับพิสูรรูปหนึ่งว่านิมนต์ท่านมาอยู่ครองเรื อ, เนอนเถิดเจ้าข้า ยามมาชวนสึกนะท่านก็เลยตอบว่าคนอย่างฉันไม่ควรแท้ที่จะอยู่คลองเรือ น, นครับและก็รังเกียจขึ้นมาเลยนะอันนี้นะครับปไปไหมคยัง <Yeah. S 1> ไม่เป็นนะครับไม่เป็นถ้ามันมีความประสงค์จะโอ้ัวอะไรทั้งนั้นนะแต่ท่านพูดถึงประหาความรู้สึกอย่างนั้นนะครับอถึงจะยังไม่ได้มารู้นะแต่ท่านก็ไม่ต้องการที่คลองเรือนจริงท่านก็เลยพูดอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องอาบัายเลยนะครับรูปที่สอง ก็ทางแนี่นะใ่ค